รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับถึงเวลาของรายการ The Reviewer รีวิวอะไรก็ได้ที่มันเวอร์เสาร์าทิศย์ทางชาร์ทีวี h อชีช่อง32กอบงสุอาจารย์สุประเดชได้ล้งชิเกินดีโอ้ในบรรยการเบาอวิวที่ชันโรแมนสิกนะครับโอ้โหนี่มันร้านขายของไฟหรือไงกไม่ใช่นะนี่เป็นกลิ่นอโรมณ์ชุโอ้สว่างะ คุณผู้ชมครับวันนี้แปลกตาชนิดหนึ่งการเปิดรายการ The Review ว่อรเราจะรีวิวสิ่งที่แปลกประหลาดและน่าจะเป็นโลกยุคใหม่ของวงการหลอดไฟกันเลยทีเดียวนั่นก็คือ้ไอไลท์พลัสเชื่ออีกครั้งหนึ่ง i l i ล e ์พลันะครับเป็นหลอด LED นะครั บ, รบเป็นนวัตกรรมของวงการสมาร์ทโฮมบ้านยุคใหม่นะครับเคยพูดเรื่องนี้กันไปหลายครั้งเหมือนกันว่าในปี2020เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องช่ยฟ้าภายในบ้านจะต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะ ก่อน้ถึงปีนั้นครับผู้ผลิตหลอดไฟณวันนี้ก็คิดได้แล้วว่า LED หนึ่งมันประหยัดไฟช่2ใส่โมดูลการทำงานแบบไร้สายมะฮนคือวิุเลยนี่เลยก็เลยใช้รีโมทควบคุมได้ดูยังไงบึ่งบังบึงบังบึงบังเปลี่ยนสีงี้เลยแล้วก็นอกจากรีโมทควบคุมแล้วยังใช้แอปบนสมาร์ทโฟนควบคุมได้ด้วยก่อนจะไปสู่จุดนั้นขอเลาสเปคตัวหลอดให้ฟังก่อนหลอดนี้นะครับนี่ดูแพคเกจจงแล้วเป็นไงเป็นไงฮะเหมือนอาหารเสริมหมคล้ายๆนะใส่มาเลยนะบอกหมดนะฮะว่าไฟใช้ยังไง อย่างไร LED ย่อมาจาก Light Emitting Diode หลอดไฟแบบนี้เป็นหลอดประหยัดไฟนะครับข้อดีอันแรกเขาบอกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมนี่ไร้สารปลอดจริงหรือเปล่าใช่ในตัวหลอดเนี่ยไม่ต้องใช้สารปลอดเคลือบเนี่้าหมื่นชั่วโมงคือชั่วโมงการใช้งานมันห0 0 0มชั่วโมงเยอะเหมือนกันแบบเดิมมากแล้วก็เรื่องประหยัดไฟนี่ทราบกันอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าไม่เจอเครื่องหมายมอกคงไม่เชื่อผ่านมาตรฐานมอกมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยเรียบร้อยแล้วก็มาตรฐานโรชนะครับในต่างประเทศยอมรับกันดี แล้วก็หลายๆมาตรฐานทีนี้เรื่องของเรื่องตัวหลอดไฟตัวนี้นะครับ เป็นหลอดไฟที่กินไฟ9วัตต์9วัตต์นี่ก็ว่าเทียบเท่าหลอดไส้แบบ60วัตต์แต่ประหยัดกว่าเพราะว่าทุกๆวัตต์ที่ใช้เนี่ยมันแสงสว่างส่องออกมาได้100ลูเมนนะฉะนั้นเนี่ยพอ9วัตต์หลอดตัวนี้นะฮะ ค, คำนวณไฟออกมาแล้วก็ไม่ได้โกงเราไม่ได้โกหกเราบอกว่าได้ไฟทั้งหมด850ลูเมนอา<ด>้อาวแล้วบอกไม่ได้โกงหายไปไหน50ก็คงจะเป็นความต่างสากักในระหว่า ง, งการที่มันมา ร, ร, รวมหลายหลอดไง ค, คือ LED จะสว่างได้ไม่ได้มีหลอดเดียวนะครับมันเป็นหลายหลอดรวมกันออยู่ทีีน้หลด ไฟของ i Light Plus นะครับแบ่งเป็น3ประเภทประเภทแรกเนี่เขาเรียกว่า2 In 1 n e โอ้กล่องนี้ก็เหมือนกับซัพพลีเมนต์อาหารเสริม t In 1อยู่แล้วเฮ้ยอัลหลอนมีแบบ t o In 1 n สองในหนึ่งด้วยแต่นยังไงรีโมทมาดูกันเลยนี่นะครับรีโมทจะเป็นสีขาวดำแบบนี้อ๋อแสดงว่าหลอดนี้มีสองสีมีสีขาวกับสีดำที่สว่างกับมืดบ้าถึงง้ก็หลอดปกติสิเอ้ามี2โทนสีตงหา่าวดูตัวอย่างหน่อยเอาพมไฟครับพี่ังคนี้นะคมนี้นะเพื่อเห็นชัดขึ้นเราดิมไฟนีนะครับ ผมกดรีโมทนะครั บ, รบนี่เอาอยู่เฉยๆก่อนนะครั บ, รบผมจะดิมนี่นะครั บ, รบใช้รีโมทรีโมทนี่เป็นคลื่นวิทยุนะครับคลื่น 2.4 g h z ะเซึเป็นแบนด์วิดต์แบบอันไลเซ้นตนะครับก็หมายถึง <นะ S 2> ไม่ต้องขอนุญาตใครเลยผมก็สามารถใช้ได้เป็นคลื่นวิทยุที่เป็นคลื่นสาธารณใช้ได้น ะ, ะดิมได้นาครัวสังเกตไหะปกติการดิมไฟถ้าเป็นในอดีตนะครับคุณต้องลายสายไปถึงดิมเมอร์วงจรพิเศษวุ่นวายอันนี้ใช้แค่รีโมทมาดูโทนสีกันนะครับโทนสีแรก นครับนี่อ๋อออกเหลืองนวลนะนวลเลยเขาเรียกว่าโทนแบบวอไวอ้าวังสเเรตฮะคุณเป็นนักกีฬาคุณต้องวอมไวนะครับเฮ้วมไววอไววอมไวเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่หรจอชนชนคว่าวไวมันหมายถึงวองไววอไววมไวทาไมอย่าให้เขารู้ว่าฉันเจ็บวเฮ้ยผมว่าไม่ใช่เรื่องนั้นแน่ มันมหมายถึงหลอดไฟฮะนี่แล้วก็ถ้าไปอีกโทนหนึ่งนะครับนี่ไปโทนนึงนี่ ถ้าเกแม่มันจะอมบลูหน่อยนะก็คือเป็นแสงขาวแบบขาวเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าคูลไวคอไวคือแบบว่าสว่างแบบเย็นเย็นอ่ะนะแต่ถ้าเกิดเป็นวอร์มไวนี่ก็จะเป็นแสงส้มๆนวลๆอ่นๆหน่อยอันนี้ปรับโหมดได้นี่เขาเรียกว่าหลอดแบทูอินวันทีนี้ถ้าไม่ทูอินวันนี่ต้องไปที่รีโมทตัวตัวนี้เลย่รีโมทเป็นสายลุงเลยท่านผู้ชมโอ้โหหน้าตาคล้ายๆกันนะฮะแต่คําสั่งเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยค อันนี้เขาเรียกว่าหลอดแบบเรนโบว์เรนโบว์เป็นยังไงเดี๋ยวผมํำให้ดูผมจะนิ้วรูดไปบนจ็อกวิวตัวนี้ห้าสี่สามตึงดึงดึงดึง แล้วก็สามารถตั้งเป็นออโต้นะครับนี่ให้มันเปลี่ยนสีไปได้เลยได้นี่คือเรนโบว์แต่ที่แยกเป็นวอร์มกับคูความหมายคือว่าเมื่อคุณซื้อหลอดมาเนี่ยนะครับคุณต้องรู้ว่ามันเป็นเรนโบว์คือสีเฉดต่างๆให้คุณจริงแต่เมื่อจะอยู่ในโหมดแสงปกตินี่พกค้างเติร์ดนี่มันจะเป็นวอร์มหรือมันจะเป็นคูอ๋อเป็นเลือกตรงแสงขาวถ้าเป็นแสงนี้ก็คือเป็นคูไว้แต่ถ้าเป็นแสงออกนวลๆนี้ก็เป็น วอบไว้จงตัวไว้วอบไว้วอบไว้ทำไมคุณผู้ชมครับนี่ เฉดสีนะครับผู้ผลิตอ้างว่าในนี้นะครับเหมือนกับ Photoshop อับเวลาคุณเอาตัวดูดสีจิ้มลงไปเนี่ยมันมีสีทั้งหมด640เฉดสีโอ้แต่เราเห็นจริงๆแล้วเราเห็นไม่ถึงนะครับนะแต่เรียกว่ามันก็เยอะอ่ะมีทุกสีเลยทีเดียวนะถ้าแค่รีโมทของหลอดไฟ2แบบเอาแบบทวินวันกับแบบเรนโบว์ซึ่งเรนโบว์จะแยกเป็นครูกับฟอร์มอีกทีนะฮะหรืว่าใช้รีโมทเดียวกันเนี่ยสังเกตดูมันจะมีสี่โซนอยู่ด้านล่างสี่โซนนี้คือคุณสามารถที่จะเลือกที่จะ ควบคุมเป็นโซนได้คือไฟมันก็จะมีเป็นโซนใช่ไหมสามารถเยกหมือนห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ปรับเลยนะแต่ถ้าเกิดกดเนี่ยสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะฮะๆๆๆเป็นโซนเราเซตเป็นชุดๆไว้แต่ถ้าเกิดว่าจะควบคุมมัสเตอร์ทั้งหมดกดจิม้มด้านบนสว่างพร้อมกันตัวเ m มนี้เป็นชุดการเปลี่ยนรูปแบบสี มีทั้หมดแบบก็แบบแรกก่อนจิ้นลองสังเกตดูนุ่อๆการบูว่าบูบ้าการกระพริบของของตัวหลอดไฟจังหวะจังหวะอีกอันนึ่งป่อยเป็นแสงละได้เกียว์ดเียอันนี้เหมือนฟังเพลงคลาสสิกอยู่ดึดึดึดึแททนแทนแทนแนนทนเปลี่ยนใหม่มานี่ไวขึ้นดึงดึงดึงดึงเลี่ยนอีก้เปลี่ยนอีกทีทไมเดอนนตมากาตุ๋งตุ๋ง <ด>อันนี้เชิดสิงโตใช่ไหมคะมันจะสนุกแค่ไหนถ้าคุณมีหลายหลอดแบบนี้ตั้งไว้ในห้องนอนคุณเองแล้วก็ข้อดีนะครับของการดิ้มไฟได้อันนี้เขาบอกประโยชน์ก็คือคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเล็กนะฮะอย่างผมนี่ตอนนี้มีทารกในห้องนอนด้วยปกติคุณแม่เลี้ยงลูกเนี่ยเปิดไฟสว่างเนี่ยทารกไม่ควรจะมองหลอดไฟจะเหยีตาคุณแม่ไทนนี่ต้องลุกออกจากลูก ชิดอกอยู่เนี่ยถ้าเอารีโมทมาแล้วก็หมุนก็คือปรับโทนที่อยากปรับเลยนะปรับความสว่างสไลด์ปรับความสว่างเลยดีมากนะครับ่ี้เปลี่ยนโทนได้ต่างนานามากมายนี่นะครับแล้วก็ทางานรีโมทนี่อย่างที่บอกไปคลื่น 2.4 g h กคลื่นนี้ก็เหมือนคลื่น WiFi อ่ะนะฉะนั้นมาต้องควบคุมผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยเพราะมันคลื่นเดียวกันนี่นะนี่หยิบสมาร์ทโฟนของคุณและวแทบเลตออกมาได้เลยชแอปีนะครับมีแอปด้วยนี่น่าดีใจนะครับว่า iLife Plus เนี่ยเป็นกิจการของ บริษัทเขาชื่อว่า Baby Genius c o n s u l t Group เขาก็เลยทำแอปทั้งหมดเป็นภาษาไทยออกมา<อ> น, นะครับก็มีตัวรับนะฮะอยากให้แอปควบคุมได้เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนใช้รีโมท<อ>รีโมทนี่ถือว่าสะดวกสุดแล้วแต่ถ้าอยากจะไฮเทคหน่อยมี iOS Android ก็โหลดแอปชื่อเดียวกัน<ม> iLife Plus น ะ, นะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์อีกตัวนึ่งเป็นตัวคุมตรงกลางเรียกว่า Wi-Fi Controller ตัวควบคุมผ่าน Wi-Fi เป็นแบบนี้นี่นะฮะก็มีสาย micro USB มานะครับมีและจ่ายไฟแล้วก็ ไม่ต <ITA> ้องใช้ปลั๊กจริงก <elementary> <c oughs> ็ได้นะฮะเราก็ใช้เนี่ย power bank ก็ได้นะครับแล้วพอไฟมันเข้ามาเดี๋ยวเปิดก่อน543สี่สามนี่เปิดนะครับนี่เห็นไหมไฟมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยสัญญาณ linking ปล่อยมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยรูปแบบมันก็คล้ายๆกับ hotspot wifi ครับก็คือเราต้องเปิดตัวอ่า wifi ในเครื่องเราก่อนเพื่อจะดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็จับคู่มันจับคู่แบบหนึ่งตอนึเลยนะครับนี่พอเลือกเสร็จสับปลั๊กเรียบร้อยนะครับเราก็เอาแอปพลิเคชันที่เรา ผูกไว้แล้วเนี่ยควบคุมต่อได้บอกตัวมันให้ไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านเราซึ่งแน่นอนไวไฟในบ้านเราเป็นอินเทอร์เน็ตฉะนั้นในอนาคตเราสามารถเอาแอปนี้สั่งการเปิดปิดไฟดิมไฟขยับไฟเชฟไฟจากข้างนอกได้โดยที่เราไม่ต้องอยู่บ้านไม่ต้องอยู่บ้านแล้วเราอยู่บ้านเราจะเปิดไฟทำไมอ้าวคนในบ้านเนี่ยคนที่แม่เปิดให้เขาแบบเซอร์ไพรส์หรือแ่าเราจะกลับบ้านอยากกลัวบ้านมือเปิดมาอุ่นบ้านมืกดกล่องนอก ท่านจากหน้าบ้านแล้วกอดเข้าไปบ้านมีเหตุผลแต่ถ้าคนนั่งอยู่ในบ้านดีๆแล้วเราไปเปิดปิดไฟเล่นเนี่ยเขาจะวิ่งออกจากบ้านเรา <laughs> ถ้าคุณสงสัยเรื่องนี้คุณจะไม่สามารถก้าวข้ามสยุคสมาร์ทโฟมหรือ บ, บ้านอัจฉริยะได้เข้าใจนะพี่หลามไม่เป็นไรบ้านผมยังเป็นแบบเดิม มาถึงแพ็กเกจการขายดีกว่าวุ่นวายพอสมควรฟังดีๆนะครับตัวหลอดปกตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นหลอดชนิดที่เขาเรียกว่า 2-in-1 นวคือหลอดแสงขาวแสงขาวแบบวอรไวกับคูไวเนคร้6ย9ก้าบเกานี่พอไหวนะโอเคแต่ถ้าเป็นหลอดเรนโบว์นะแสงแบบวุ้บวับสวยงามใสรู้เนี่ยเพิ่มอีก1้อยหนึ่งอ่ถ้าเกิดจะเอารีโมทด้วยนะครับรีโมทนี่มันจะมาเป็นเซตนะครับเซตแบบทูอิน ก่อให้สองหลอดนหนึ่งสองอย่างนี้แล้วก็รีโมทอันนี้1499 <อ>ี่้แต่ในราคาเดียวกันถ้าจะเป็ น, ล น, <ะ>นหลอดเรนโบว์พันสเหมือนกันแต่เอาออกหนหลอดอก็คือ 1หล <1 remote. S 1> อดเรโมพร้อม1รีโมท1499เากหมอนกันอ๋ออันนี้ดังนั้นก็น่าสนใจนะครับมีสีแพ็กเกจด้วยกันก็ถือเป็นมิติใหม่ของวูการหลอดไฟในบ้านเลยทีเดียวครับผมในเมื่อผ่านมือรายการ The Review World. <What? S 1> เราต้องประเมินจริงๆแล้วนะครับว่า i l i k e plus ตัวนี้น่าซื้อหรือน่าเมิน <S <S และผลการประเมินออกมาก็คือหเลยน่าเมินลง้รทอดุซะขนาดนี้ใครจะซื้อไหวถ้าคุณเป็นคนรวยซื้อไหม